269าทำไมคนยุคนี้ไม่เชื่อและไม่ตื่นเต้นกับอรหันต์แท้แต่คนปุถุชนทั้งหลายก็ยังหลงมงมงายจมอยู่กับกามกับอัตตาว่าหน้าได้หน้ามีหน้าเป็นกันอยู่เต็มโลกหากใครกำจัดการรมและอัตตาออกจากใจตนได้ จนกระทั่งถอนเหตุถึงรากอนุสัยของทั้งกรรมทั้งอัตตาหมดสิ้นอย่างเที่ยงแท้ยั่งยืนตลอดไปไม่แปรเป็นอื่นไม่มีอะไรหักล้างได้ไม่กลับกําเริบอีกอย่างเป็นผลสำเร็จได้ปรากฏขึ้นในโลกจริง พุทุชนคนทั้งหลายจึงต้องเคารพคนผู้นั้นจริงๆถึงขั้นยกย่องเทิดทูนบูชาในความประเสริฐที่ปรากฏจริงได้นี้ว่าเป็นคุ ณ, ณวิเศษอุตริมนุษธรรมเป็นความมหาศจารร์แต่เป็นจริงมีจริงที่เชื้อเชิญให้มาดูได้เรียกว่าเอหิปัาสิโก แม้ระนั้นจะเชื้อเชิญกันขนาดไหนคนก็ไม่มีตื่นเต้นสนใจเท่ากับอวัยมุกที่รุ่งเรืองอยู่ในโลกในสังคมสมัยนี้หรอกทั้งๆที่ผลสำเร็จแบบนี้นั้นมันเป็นจริงถึงขั้นกำจัดมารผู้พาทุกข์ พาทาชั่วทําบาปไปจากกิจตนได้เด็ดขาดแท้จริงไม่สามารถมาเป็นเหตุทําให้ทุกข์ให้เลวให้ชั่วต่อไปในชีวิตได้อีกเลยตลอดไปเป็นผู้พ้นชั่วพ้นทุกข์อาริยสัตว์ที่เป็นได้พิสูจน์ได้ยืนยันได้ มีได้แม้ทุกวันนี้และเป็นจริงกิจริงนะเรามั่นใจว่าเราสัมมาทิฏฐิและปฏิบัติธรรมมีมรรคผลได้จริงพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้ามีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นสัมมาทิฏฐิอยู่ตรบาบใดอรหันยังมีได้อยู่ตราบนั้น แต่กรณ์นั้นอรหันที่แท้จริงปรากฏขึ้นและใครจะบอกว่านี่คืออรหันคนก็จะไม่เชื่อง่ายๆและไม่ตื่นเต้นเท่ากับลูกของตนหรือคนที่เราเชียร์ได้รับรางวัลชชนะในงานอบายมุขของสังคมหรอกเพราะคนในยุคนี้ไม่เชื่อกันแล้วว่าจะเป็นได้ นั่นก็เนื่องมาจากในภูมิรู้ของคนยุคนี้ฐานแห่งปัญญายังห่างไกลโลกุตระภูมิเกือบจะทั้งนั้นแล้วภูมิปัญญาที่จะพาให้เชื่อไม่มีนั่นเองในภูมิรู้มันแน่นไปด้วยโล ก, กียภูมิภูมิรู้จึงไม่ประสีภะษากับโลกุตระทำเลย จึงเห็นแล้วก็เฉยๆเหมือนไม่มีอะไรยิ่งกว่าไก่เห็นพระ